ใลการเจริญพรญาติโยมทุกๆ ท, ท่าน<อ>ตั้งใจฟังการฟังธรรมะวันนี้ก็ถือว่าเป็นวิธีที่จะเอาไปใช้กับชีวิตของเราทุกๆคนวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่ยี่สิบเก้าในขณะนี้ก็เป็นเวลาสิบสามนาฬิกากัสิบห้านาทีหือว่าบ่ายโมง กับคินานคือพวกเราเคยนับหรือเคยพูดกันเอาไว้ว่าวันอาทิตย์ทุกวันมีการพูดธรรมะถ้าหากไม่มีอุบาอาจารย์มาจากทางอื่นพคตตัวตะมาหรือพระสงที่อยู่ในนี้ก็มาแสดงให้ฟังการแสดงธรรมะมันมีหลายวิธีกลไก แต่ใครถนัดเรื่องไหนก็เอาเรื่องนั้นมาพูดมาสอนกันแต่คําพูดคําสอนนั้นมันมาจากคําสอนของพระพุทธเจ้าคุกคนว่าอย่างนั้นแต่ว่าคําสอนของพระพุทธเจ้ามีมากแปดหมื่นสี่พันพันธมรันเราจะเรียนมาให้ครบให้จบให้ตัวนั้น ไ, ได้แต่ผู้ที่ศึกษาเล่าเรียนมามากสแสดงได้นั้นก็ดีแต่ว่าสิ่งที่สําคัญคือ ต้องมาทที่ตัวเราคำสอนของพระพุทธเจ้ามีมากถึงแปด0มืนสี่พันพระธรรมขันธ์ต่างต้องแสดงที่ตัวเรานี่เองข่านต้นท่านเรียกว่าเรื่องอริยาาสติแต่ทุกคนรู้กันว่าอริยาาสติเป็นหัวใจหรือเป็นหลักสำคัญทางพระพุทธศาสนาผู้ใดศึกษาหรือประพฤติปฏิบัติตามหลักสติปัฏฐานาสี่แล้วก็ มีอันนี้สูงมากเราก็ศึกษากันหลักสติปฐานเศษนี่เราเคยเรียนกันว่าทุกสมุทัยดีโลดมัคขึ้นมาเป็นข้อต้นทุกเตวคนไม่ไหวอันนี้จางเตว่าไม่เที่ยงอนัตตาบังคับบัญชาไม่ได้ว่าอย่างไรแต่ทุกคนก็ เ, เคยรู้กันนะทุกสมุทัยดิโลดมัคมัค ก, ก็เป็นข้อปฏิบัติเพื่อให้ถึงคนแบบทุก อันนี้ก็มีอยู่ในเรา น, นอกจากนั้นก็มาเรียนกันเรื่องขันห้าขันห้าคือลูกได้แก่ร่างกายรูปเวทนาเรีว่าสวยอารมณ์สัญญาจำได้สังขารคุงแต่งวิญญาณควรวรุอันนี้ทุกคนได้เรียนมาไม่มากหรอน้อยแต่สำหรับตัวอาตมานั้นเรียนน้อยเพราะว่าบ้านเมืองที่อาตมาเกิดท่านคนจเจริญไม่พอ ไม่มีคนเจริญในกรุงเทพกรุงเทพที่มีคนเจริญมากการศึกษาจึงมีมากนอกจากนั้นก็มาเรียนอัญญาตาสิบสองอัญญาตาสิบสองคือว่าตาหูจมูกเลนกายใจเป็นภายในก็ศึกษาให้รู้อันนี้ภายนอกก็คือตาเห็นลูกลูกเสียงกลิ่นรสสัมผัสกับทำมาลงเป็นภายนอกท่านก็เลยว่าอ ญ, ญาตาสิบสอง เมื่อศึกษาอัญัตนาสิบสองดีแล้วก่อนมาศึกษาธ า, า, า, าตุสิบแปดธาตุสิบแปดก็จะขู่ธาตุโสตาธาตุคณะธาตุีซลห์า ต, าาตไปอนยะ่างไถ้าพูดไปกว่ามากนะอัญตนาสิบสองธาตุสิบแปดอินทรีย์ี่สิบสองอริยะสตรีพูดอีกอย่างหนึ่งก็เรียกปฏิจจสมุ ป, ปบาทนี่เนี่ยเป็นหัวใจของคำว่าปฏิจจสมุ ป, ปบาทก่ออวิสานขึ้นต้นอวิสานปจญญาสังขารา อันนีตาก็เป็นปัจจัยให้เกิดสังขารสังขารก็เป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณวิญญาณก็เป็นปัจจัยให้เกิดนามลูกอันนั้นเราเรียนกันตัวหนังสือแต่เราเคยเอามาใช้บ้างไหมเคยเอามาปฏิบตับติบ้างไหมอันนั้นจะเป็นคํำพูดเนะียมันไม่ใช่เป็นตัวจริงแต่มันก็จริงยิงโดยคําพูดที่เราไปเรียนมาจากตำราเนะ่ยมันดีแล้วเพียงเป็นแผนที่เท่านั้นเองเราจะเดินตามแผนที่หรือไม่เท่านั้นเอง ดังนั้นวันนี้ก็พูดเอาตำรามาปะปนกันไปเพียงเล็กๆแน้อยเพราะตัวเองไม่มีความรู้ในทางตำรามากเลยพูดแต่เรื่องคลมจริงที่ตัวเองเอามาใช้กับชีวิตตัวเองแต่ทุกคนก็คงจะเอาไปใช้ได้เรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่สําคัญแต่ไม่ต้องพูดอะไรมากเลยทาความรู้สึกตัวการทําความรู้สึกตัวนี่มันจะไปเป็นอะไรจะทําไป ผลของมันได้รับขึ้นมาคือผมไม่รู้นึ่จะหายไปอันทำผมรู้ขึ้นมานี่คือกันสั้นเจ้ากอนไม่เคยรู้ให้ทานมาตักบาทแต่เมื่อสมัยเป็นเด็กแล้วก็ไปเจ้าไปสงอาหารตอนเช้าเดี๋ยวไปจ้าหันกลางวันนี่เขาเยกวไปเทพบ้านหลวงพ่อวัไไปจ้าหันไปเทศเมื่ออายุพอสิบเอ็ดตีก็ไปบวช ไม่ใช่ไปบวช ด, ดอกนี้มีหลวงหน้าที่คนสอนกรรมฐานให้นี่เนี่ยเอาไปบวชเอาไปเป็นคนไซส์นี่ว่าไม่มีเพื่อนท่านอยู่คนเดียวก็วเอาเราไปเป็นเด็กนอนจิตไส์ดักน้ํำให้เอาไปเก็บดอกไม้ให้ไปเก็บไปเด็กอดดอกไม้นี่ให้นรรห้าเทโถนรรให้ท่านจึงพอสพ อ, อเนียให้ตใต่สสอไปกระต๊สะสอกใส่พรอเราไม่มีผมรู้แตอยู่นําท่านท่า น, านก็สอนสอนกรรมฐานให้ให้เลย นั่งขัดสมาธิหรือขัดสมาธิสองชั้นเลยนั่งเลแต่เรื่องตัวหนังสือนัวเรียนตัวทํารับตัวหลาตัวไทยน้อยบ้านหลวงเขเรียวตัวไทยน้อยเป็นหนังสือเหลาเขียนอันนั้นนะเขียนใบลานไม่มีกระดาษเลยใบลานทำไมไม่เป็นด้านแล้วเอาเข็มไปตีแต่ท่านเข็มไปตอกเข้าไปแล้วก็มาผลเป็หินมันเป็นรูปสี่เหลี่ยมแล้วก็เสียนขัดเสียนเขียนจะโพวกมือมีหมอนเอาไม้บอลลูนอ่ะตีไปเตียง ทำทําพุทโธหายใจเข้าพุทหายใจออกโธดีดีดยังไงดีเพราะจิตใจมันก็สงบไปบางข้างบางคขาวบางข้างบางขาพอไม่สงบเฮ้ยจะตึงนังไงพอได้รับความสุขจากสิ่งนั้นก็นูสึกออกขอใจเมื่อศึกออกมาแบบนี้เขาเรียกว่าเป็นนมเป็นเตียงบ้านของเขาเรียกเตียงเมื่อมีการทําบุญที่ไหนเราเป็นคนชอบอยู่แล้ว ต้องไปรัฐานาเทพรัฐานาศิลป์รัฐานามงคลแล้วก็ถาวายาาพระธาตุครึ่งถาวายอันนั้ต่างๆนี่เรียนพ่อครูบาให้เรียนไม่เรียนไม่ได้มาบวชจะเป็นคนสุขนะไปต้องเป็นคนสุขคนใดยังไม่ได้บวชท่านได้บอกคนดิบเราก็ยจกเป็นคนสุขกับเพื่อนพ่อคูบาอาจารย์บอกให้เป็นคนสุขกับต้องเรียนอยู่มาอายุยี่ิบตีก็มาบวชอีกแล้วมาบวช มเมื่ากระทำกรรมฐานนี่ทำพุทโธบ้างสัมมา阿拉หังบ้างนับหนึ่งสองสามบ้างหรือว่าหายใจเข้าสั้นออกยาวได้ทําแล้วแต่เรื่องของยกอย่างไม่เข้าใจทํามาเป็นเวลานา น, านพอสมควรเรื่องให้ทานรักษาชีวิตกระทำมาพอสมควรเรื่อว่าทําบุญเนี่ยการครรษาก็ต้องยกเว้นไม่ได้เมื่อเป็นหนุขขม่มครอบครัวมีมีครอบครัวแล้วเนี่ย ต้องทําประจําไม่เคยรู้เลยว่าลักพระพุทธศาสนาสอนเรื่องอะไรจริงๆริงไม่เคยรู้รู้แต่เรื่องว่าไปทํากรรมาฐานกับรักษาศีลดีอ น, นันต์ก็ดีแก้ว่ามันไม่มีปัญญามันไม่รู้เมื่อมันไม่รู้จะถือว่าตัวเองสงบมันก็สงบแบบไม่รู้นั่นเองนี่เขาใชอย่งังไงต่อมามาจังหวัดปูดรนนี่ตัวเองมันชอบอยู่แล้วมีอาจารย์ซึ่งไปจากทางกรุงเทพนีย วิธีพองยกจะขึ้นไปอยู่ทางจาันทบุรีก็เลยไปหัด ก, กับท่านผูวขาวหัดเป็นแล้วกัท่านก็สอนให้เดินจนคนทวารสารได้ใสายกต้ น, น, เ, นเดินจนคนที่แรกตวารซ้ายขวาไปจนทางไกลต่อมาก็าตำมาอย่างนี้กบว่ายกต้นยกหนอไปนอลงหนอขึ้นนอกดหนอเนี่ยมันมีเป็นพันเป็นพันจันทบุรรู้อันนี้ก็จริงทํามาแล้วสิ่งเหล่านี้จริงวะโอ้ดีดีเพราะเราไม่รู้ มันยังไม่พอที่พูดความจริงให้พวกเราฟังวันนี้เพราะเพื่อว่าวันนี้เป็นวันใกล้จะหมดกับปีเก่าแล้วก็ต้องพยายามพูดเรื่องของเก่าเราจะได้ส่งท้ายปีเก่าตั้งแต่วันที่ยี่สิบเก้าไปกับวันที่สามสิบวันที่สามสิบเอ็ดเดือนนี้เดือนหน้าก็เป็นเดือนมกราปีให ม, ม่วันที่หนึ่งวันนี้วันปีใหม่ก็ต้องพูดเรื่องใหม่ไปติดดังนั้นเมื่อมาทําเรื่องนี้ยังไม่เข้าใจ ไม่เข้าใจจริงๆนึกว่าทําบุญแล้วมากๆทํากรรมฐ า, านมากๆตายแล้วต้องไปเกิดสวรรค์เป็นเทวดาอยากไปเป็นเทวดาแล้วนี้แต่ใดมาแล้วอยากเป็นเทวดาเนี่ตายจากเทวดาลงมาเกิดเป็นคนนี่แหละอยากเป็นคนสวยรวยซัพย์มีสติปัญญาแหลมคมปอแมสอ์อย่างนั้นก็ทํายังไม่เคยรู้ว่าเทวดาอยู่ที่ไหนยังไม่เคยรู้อีกแล้ ว, วนีไม่เคยรู้ถีก็ไม่เคยเห็นไม่เคยรู้ เทวดาก็ยังไม่เคยเห็นไม่เคยรู้เพราะสิ่งที่ไม่รู้นี่เนี่ยมันเป็นสิ่งที่สําคัญจะถือว่าตัวเองสงบมันสงบแบบไม่รู้นี่เองดังนั้นจึงจะอยากขอแนะนําพวกเราพระสงฆ์องค์เจ้าก็เช่นเดียวกันและญาติโยก็เช่นเดียวกันมาที่นี่มีแต่นักศึกษาคนกรุงเทพเนี่ยพูดแล้วกับคําท่าถามก็ต้องเป็นปริญญาอย่างน้อยอหรือหมอหกหรือเทคนิคอะไรพวกนี้เข า, เาไม่เคยรู้สิ่งเไม่เคยรู้เลย คำว่าปริยาเนี่ยเขาว่าสั้นปัญญาเป็นบัณฑิตเป็นนักตรายังเป็นปริญาแต่ว่าพวกที่เรียนมาอันนี้ก็เป็นปริญาภายนอกเอาไปใช้กับงานทํางานเพื่อป้องกันไม่ให้มีความทุกข์เกิดขึ้นคมลูกอันนั้นดีแล้วเอาไปหาเงินดีแต่ทุกคนต้องการสิ่งที่พูดแล้วเนี่ยอาตมาต้องการอย่างนั้นแต่คนอื่นนั้นจะต้องการอย่างไรไม่ทราบการหาเงินเนี่ยถ้าคนใดขยัน มันเทียนหรือรู้จักการงานรู้จักหน้าที่ได้เงินคันได้เงินมาแล้วรู้จักเก็บเก็บน้อยประสมให้มากขึ้นก็มีเงินมากเมื่อมีเงินมากไปที่ไหนมาที่ไหนก็มีคนนับหน้าถือตาบ้านพอเร็วนับหน้าถือตามีเพื่อนมีพี่มีน้องคนที่ไม่รู้ก็รู้บ่เนี้คนที่ยังไม่เคยเห็นก็ก็ได้ยินว่าคนนั้นคนนี้ก็อยากมีเงินกับเพื่อนอยากเป็นคืเพื่อนที่คนรวยๆนนี่ย ปนแต่คนใดไม่รู้จักวิธีหาแต่มีผมลูนะเหรียญสูงๆแต่บ้าน เ, นเขาไม่ได้เหรียญแต่ว่าอยากมีบางคนก็อยากมีแต่ไม่หาบัดนี้ไม่หาจะไปพองท่าเอาทําบุญมากๆแล้วให้เทวดามาประทานให้ก็ไม่ได้เหมือนกันอันนี้ก็มันต้องหาแล้วคอยให้เทวดามาโปรดเราลื้อผีมาโปรดเราเป็นอันไม่ได้จริงๆแต่ก็นึกว่า ทำบุญมากๆศาตร์นี้แล้วศาตร์หน้ามาเกิดเขาต้องมีเทวดามาประทานโทษให้ย่างอันนี้เอาความจริงมาพูดให้ฟังทำํำจนหมดเนื้อหมดตัวทีเดียวอาจะมาเพราะอยากมีเงินศาตร์หนา้าศาสตร์นี้ไม่ต้องการเร่องเงินมีเท่าใดไปทานที่หมดเลยนจะเป็นอย่างไงสร้างสร้างส้วมของพระมีวิทย์ฐานบรรณพงศ์เลวส้วมวิทย์ฐานถ้าสร้างส้วมสร้างฐานสร้า ง, าางวิทย์ให้พระไปอุจจาระเส้น ตายจากการนี้ไปเกดเป็นเทวดาอัปมาเกิด็นบางคนแล้วจะได้ไปร่มเอาคมเงินคุมทองมานักเพราะเราสร้างส้วมให้พระทํำจะได้คมเงินคมทองเนี่ยมัน็นยังไงเนื่องจากไม่รู้ทางนั้นสิ่งเหล่านี้ไม่เห็นแจ้งไม่เห็นจริงกดเสื้อตามพ่อแม่กูบาอาจารย์สอนมาเป็นยัง้งทานจนหมดทีเดียวหลายเพื่อหลายครั้งสร้างสวมเนี่ยทองคำซื้อมาก็ตามไปหาได้มาไปเลิ้นทองคาบ้านหลวงพ่อมีหัดโก เอาไปลงในส่วมเอาไปถายในส่วมเนี่ยคิดว่าศาดหน้าเราจะได้ซาดดีไม่เอาเลยอันนี้ก็แสดงว่าตัวเองไม่รู้หลักพระพุทธศาสนาจริงๆแต่คนอื่นอาจจะรู้นี่เอาคนจริงมาลองให้ฟังทำอย่างนี้ทํามานานเรื่องทําบุญประจําปีเดือนสามเดือนสี่เดือนห้าเดือนหกทาทุกปีเพื่อนทาบ้านไหนก็ต้องไปฟังเทศฟังธรรมทาเรื่องเวกันดอนซาดกนี่ก็ทํา ทำบุญสังหอมธาตกระทำทำบุญสังหอมทาตนี่เขาไม่ให้ทำในบ้านถ้าไม่จริงจังเขาว่ากลัวจะมีไฟหรือมีอุบา่ารือุปสรรคเกิดขึ้นทำไม่ถูกต้องแล้วคว้าผ้าฝนตกหรือไฟไม่บ้านไม่เมืองเขาว่าอย่างนั้นคนเฒ่าคนแก่จําเป็นต้องทำเพราะต้องการยักได้บุญเนี่ยอา้าววันนี้ก็กลับมาแล้วเรื่องบุญมนันท่านสอนว่าให้ทานสิบครั้งยังไม่เท่ารักษาจิตครั้งเดียวทั น, นั้นรักษาจิตครั้งเดียว ยังไม่เหมือนกับทำกรรมฐานขั้นรักษาสิ้นร้อยครั้งแบบ น, นี้ยังไม่เท่ากับไปทําให้คนสงบขั้นเดียวเมื่อทําให้คนสงบกรรมฐานเนี่ยร้อยครั้งสู้ ท, ำทํำยิปัศนาขั้นเดียวไม่ได้อันนี้พอแม่สอนเตัวหนังสือจะมีได้อ่านดูแล้วบัดนี้ทําบุญประจําปีสิบครั้งสู้ทําเรื่องเวทสันดรขั้งเดียไม่ได้อันนี้สอง บ, บุญบุญมากบัดนี้ทําเรื่องเวทศด พระเวทนั้นพระเวทสันดอนเรื่องสะดกเนี่ยสิบครั้งสู้ทำบุญสังหอมทาตขครั้งเดียวไม่ได้เรามันเป็นคนต้องการอยากได้บุญเยอะแกไม่เคยรู้ว่าบุญมีรูปร่างลักษณะสัญฐานอย่างไรไม่รู้ตัวของอาตมาเด็เพื่อนคนอื่นอาจจะรู้นี่เป็นคนโลกโลกอาตมาเกิดจากพ่อแม่มาแล้วชีวิตอันนั้นราคาน้อยที่สุดแทบจะไม่มีราคาเสียเลยตัวของผมตัวของอาตมานคนอื่นอาจจะมีแต่เดพูเดเรื่องตัวเอง ทำเรื่องสังห om ธาตนี่ยการทำมามากขอสมควรสังห om ธาตุไม่เหมือนกับทังโลเวนสันดอนสังหมทธาจะต้องมีผ้าไก่องค์ใดขึ้นไปเทศต้องเอาถวายผ้าไก่ถ้าจึงเทศได้เมื่อไม่คลองผ้าไก่เข้ามาเทศเทศสังหมทธาต้องมีดอกไม้เงินดอกไม้ทองทองก็ต้องทองจริงๆเงินก็ต้องเงินจริงๆเอาไปเป็นกันเทศถ้าไม่ทำอย่างนั้นฟ้าผ้าหรือให้ว่าไฟไหมพิณาจิบหายเข้าไปอย่างนั้นมีพระทาตุาย ผลทายผลแหน่นีไปปองไว้แล้วก็พากันทำบ้านนั้นต้องเป็นคนชอบทำบุญทั้งนั้นเพราะว่ามันเคยทํากันมาตั้งแต่พ่อแม่ปู่ย่าตายายเรื่องเคยทำบุญเลยไม่รู้ว่าพุทธศาสนาสอนเรื่องอะไรแต่รู้เรื่องอริยสัจทุกสมุทัยรู้แต่ไม่รู้รู้จําอันนี้คือว่ารู้จํารู้จักแต่ไม่ใคยดูแจ้งไม่เคยดูจริงยังไม่เป็นคนารู้ของตัวเองเป็นความรู้ของครูบาอาจารย์สอนให้ เป็นคมลูกของพ่อแม่สอนมาเป็นคมลูกได้มาจากกำลังยังเอาไปใส่ไม่ได้ตัวของผมตัวของอาตมานี่แต่คนอื่นนั้นอาจจะไปใส่ได้เมื่อพูดมาถึงตอนนี้ก็เลยมาพูดกันเรื่องตอนที่เป็นของตัวเองบ้างคิด <c oughs> ว่าเป็นของตัวเองมันไปตรงเอากับคําสอนของพระพุทธเจ้าแต่พระพุทธเจ้าเป็นคนอินเดียไม่เคยเห็นพระพุทธเจ้าไม่เคยเห็นจริงจริงอาตา ม, มาเดี๋ยวพระพุทธ พระพุทธเจ้าจะเข้ามาในเมืองไทยหรือไม่มาก็ไม่รู้แต่รอยพระบาทนี่ว่าลอยพระพุทธเจ้าไปเยี่ยมที่นั้นที่นี่ลอยกงกวา ง, งพากันไปไว่าอยู่ที่ไหนก็ไปไหว้พระนนท์ก็ต้องไปไหว้ไม่ไปไหว้ไม่ได้พวกกันดูกพระพุทธเจ้าอยู่ที่นั้นอยากไปอยากไปนมัสา ก, การไปไหว้รอยพระบาทหรือพระธาตุที่ไหนก็ต้องไปไหว้ว่าเป็นซิกสกิตอันนั้นยังไม่รู้เมื่อมาศึกษาตัวเองนี่เนี่ยแต่ไม่เคยรู้ดอกเรื่องนี้ก็ไม่เคยรู้ เต้นั่นไปทํากรรมฐ า, านมีพระยี่สิบสามลูปมีโยมห้าคนเป็นผู้หญิงสามคนเป็นผู้ชายสองคนพระยี่สิบสามลูปไปทํากรรมฐ า, านด้วยกันทํากรรมฐ า, านตอนนั้นคุนก็นว่าให้ภาวนาของยุคนี่แหละคุณบาอาจารย์สอนอยู่ทีนั่นท่ากเรื่องของนี้ก็ทําน้ำคัน้นทําไปทํามาอาตา ม, มามาเป็นคน น, นึกว่าตัวเองทํามาแล้วนี่ของโยมจะกันไนดะ้เพราะได้หนังสือได้สุกขัดไปจากจากังหวอุดรแล้ว ทำแล้วแปดปีแล้วทําของยกนะยังได้ไปทําอันนี้อีกหนึ่งอันเรื่องทําพุทโธนั้นแค่ทํามาตั้งแต่อายุสิบเอ็ดปีทำมาไม่เข้าใจเลยหลักพระพุทธศาสนาส่อเรื่องอะไรไม่เข้าใจต่อเมื่อมาทําการเคลื่อนไหวเนี่ยไม่นานอนจะมาทําอันนี้พูดความจริงนั่นเลยเอาความจริงมาเล่าให้ฟังไม่ต้องพูดเรื่อง อ, นงอันนิสงอันนี้ไม่นานเท็มมือไปยกมือมาให้มีสติตามรู้รู้ที่ว่าสติก็ได้ไม่ว่าสติก็ได้ มันมีความรู้สึกเนี่ยไหวไปที่ไหนมันรู้เอียงใต้เอียงขัวให้มันรู้กดเงยให้มันรู้คิดตาให้มันรู้หายใจเข้าให้มันรู้กินน้ำลายให้มันรู้ให้มันรู้จริงๆเนี่ยแต่มันรู้เองเพราะเราเมื่อเราไปตั้งสติแล้วก็เลยรู้เมื่อเราไม่ตั้งสติไม่ดูทีแรกมันเคลื่อนไหวทิพตาดิทิพมาตั้งเศษตัวเล็กให้ว่าหลุดจากท้องแม่มันก็ทิพตาอย่างนี้มาหายใจก็เหมือนกันหลุดจากท้องแม่มาแล้วก็หายใจมาเหมือนกันผมคิดก็เหมือนกัน มันคิดมาแต่ไม่รู้แต่คิดตานี้ไม่เคยกำหนดแต่หายใจเคยกำหนดพอดีมารู้เรื่องนี้เนี่ยเคลื่อนไหวโดยวิธีใดก็รู้คิดตาก็รู้แบบนี้หายใจก็รู้อันนี้เป็นพักต้นเมื่อรู้อันนี้รู้เข้ารู้เข้าเคลื่อนไหวโดยวิเมื่อรู้อันนี้ก็เลยรู้ตัวจริงขึ้นมาเลยรู้ออกนอกตัวไม่ได้อันนี้รู้ในตัวเองจริงๆรู้พลิกมือขึ้นเนี่ยโอ้ไม่เคยรู้เนี่มันก็ต้อง ภูมใจโอ้เนี่ยท่านว่ารูปน้ำทุกขังอันนี้ยาวนักษาเรื่องอริออรยสัจสีม่มาอยู่ที่ตรงนี้ก็เลยเข้าใจเรื่องอริยสัจสี่จริงๆก็เลยไม่ได้พูดเรื่องทุกข์มะวันไยนี่โดนมัไไมมกไม่อยากพูดเลยว่านี่พลิกมือคว้มือนี่มันเป็นลูกลูกจริงๆใครจะมาพูดยังไงก็ไม่เชื่อเลยบัดนี่ยไม่เชื่อเลยอาตมาไม่เชื่อคนจริงๆตั้งแต่วันนั้นมาจนถึงบัดนี้โอ้โหนี่มันเป็นลูกลูกน้ำน้ำกับรูกมันอยู่ที่ตรงนี้ไม่ใช่นามน้ำ ซื้อของนามซื้อของอนัตต์เอาไว้อนั้นเป็นนามสมมุติเข้าใจอย่างนี้เมื่อมารู้รูปนามอันนี้ก็เลยรู้รูปธรรมนามทรรมเพรูปอันนี้ไปทําเองโอ้ธรรมะคือตัวคนแบบนี้มองเห็นคนใดก็เป็นธรรมะแบบนี้มองเห็นผู้หญิงก็เป็นธรรมะมองเห็นผู้ชายก็เป็นธรรมะมองเห็นท้าทสององค์เลก็เป็นธรรมะโอ้ธรรมะนี่ในคนจริงๆเข้าใจอย่ังไงยอธรรมะคือคนไม่ยกเว้นก็เลยรู้จักรูปธรรมนามทรรม พอดีรู้จักรู้ธรรมนามธรรมแล้วก็เลยรู้จักลูกโลกนามโลกนี้ขึ้นมาลูกโลกนามโลกลูกนี้เกิดขึ้นมาแล้วมีเจ็บหัวมีปวดท้องมีไข้บางทีก็มีเป็นบาสเป็นตุ่มก็โร้ลูกเป็นโลกลูกอันนี้เป็นแล้วมันก็ไม่สบายบนี้ไม่สบายก็โอ้ลูกเป็นโลกน้ำก็เป็นด้วยกันอันนี้เป็นลูกโลกนามโลกเข้าใจยังไงไม่มีใครมาสอนเรื่องนี้ควรรู้อันนี้เกิดขึ้นน่ะเพราะเทศของมันมาทําความรู้ผลของมันมาให้เรารู้ จะวันเหตุผลมันไปด้วยกันเดี๋ยวไม่นานอามาทําพอดีรู้จากลูกโรคหนามโรค น, นั้บนี้มันคิดก็ไม่เข้าใจดีเลยมันคิดโอ้อันนี้มันก็เป็นโรคจิตวิญญาณเป็นโรคอันเนี้ยลูกอันนี้เป็นโรคต้องไปหาหมอให้หมอตรวจเช็กร่างกายเอายาให้กินหายแต่าความคิดอันเนี้ไม่หายเข้าใจบปอย่างนี้บัด น, นี้ก็เลยมาคิดไปคิดมาก็เลยรู้ว่าทุกขังอันนีจากอนัตตา เมื่อเรียนกับครูบาอาจารย์ทุกขังหมายถชนคนหมายถึงคนไม่ไหวอันนี้จังไม่เที่ยงอานักตาบังคับบัญชาไม่ได้ทันวันครูบาสอนผมงอกฟันหักนี่เป็นอันนีจังทางนั้นนานนานเจ็บแค่เจ็บขาเนี่เป็นทุกขะทางนั้นเป็นทุกขังอันิีจังทางนั้นสำคัญมาเมื่อเมารู้อันนี้มันไม่จริงอะนนั้นตําราเขาพูดนะคาพูดที่มันยืดเหนือตําลาหรือมันยืดลึกกว่าตำลาไปหรือมันยืดสูงกว่าตำลาไปอีกพักหนึ่งมันเข้าใจอย่างนี้ตัวเคลื่อนไหวนี่เนี่ยมันเป็นตัวทุกข์นี่ มันเป็นทุกข์ก็เลยมาเข้าใจอย่างทิศตาก็เป็นทุกข์หายใจก็เป็นทุกข์ให้ว่าเคลื่อนไหวโดยวิธีใดเป็นทุกข์ตัวอิทรียบุตรนันเป็นตัวทุกข์ไม่ได้เอาทุกข์เจ็บแค้งเจ็บขาอันนี้ไม่ถูกต้องที่ตัวจะมารู้ตัวของผมรู้อย่างนี้แต่พุอื่นจะรู้เรื่องใดไม่รู้อันนี้ความรู้ของตัวเองเกิดขึ้นมาผลมันเกิดขึ้นมาเพราะเรามาทําการเคลื่อนไหวมันยังเกิดผมรู้เรื่องนี้ขึ้นจิบไปที่ไหนถูกเห็นเรื่องเดียวนี้เรื่องอื่นนั่นมันเป็นยาสหวางมันเเเเปป็็นนนยยาาครรืืออ่งี้ผม ใครทนกินได้หายโรคจริงๆนับรองว่าหายโรคจริงๆไม่ต้องเอาอยาเคลือบมาเครือบมันไม่ต้องเอาน้ำอ้อยน้ำตาลมาเครือบอยาผมที่พูดให้ฟังวันนี้เพราะว่ามันเป็นที่เก่าแล้วมันจะหมดที่เก่าแล้วเราต้องเอาไปปฏิบัติให้มันเรื่องเก่านี้ลองดูมันเป็นอย่างนั้นนี่เป็นการปฏิบัติกับธรรมชาติจริงๆอันนี้เพราะคนจะนั่งนิ่งๆมันไม่ได้มันต้องมีการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาแต่เราไม่เคยกําหนดมันกั น, กนเลยไม่รู้ทุกก็เลยไปจับเอาทุกขเวทนาทุกโศกโศกา ทุกให้ลําไห้อันนั้นมาเป็นตัวทุกมันก็ขัดกันที่แบบนี้มันก็เลยไม่ตรงคําสอนของพระพุทธเจ้าแต่เราพูดว่าตรงแต่เมื่อมาปฏิบัติมันไม่ตรงเส็จแล้วแบบนี้เมื่อไม่ตรงมันจะเข้ากันได้ไหมเหมือนกับลูกเจนี้ถ้าไม้เป็นลูกของมันเข้ากันไม่ได้แบบนี้เหมือนกับเข็มจะเอาเส้นได้โตโตเนี่ยไปเข้ารูข้นเข็มน้อยๆมันเข้าไม่ได้มันต้องเอาของมันจริงๆเข้ามาเป็นได้หยิงจริงๆเอาซ่อนเข้าไปมันเข้าได้จริงๆลูกปนเจก็เหมือนกันเอาเข้าในดูตัวของมันเข้าได้จริงๆไขออกมาก็เปิดสบาย เนี่ยเป็นยังไงเมื่อรู้จักทุกขังอ น, นิจจังอนัตตาสมมูรณ์แบบแล้วก็เลยรู้สมสมุติขึ้นมาเรื่องสมมุตินี่ก็ไม่รู้แต่ก่อนเได้รู้สิ่งที่พูดว่านเนี่ยไม่เคยรู้มารู้เพราะการเคลื่อนไหวอันนี้เองด้วยว่ามันเป็นผลให้เราได้รับคือมันเกิดสติเกิดปัญญาเกิดความรู้ขึ้นมาจริงๆอันนี้เป็นยานปัญญาเป็นเครื่องที่บำรุงจิตจริงๆเรื่องนี้ก็เลยรู้สมมุติสมมุติทุกอย่างทีเดียว ตัวของอตาตมาในบวชเขาเอิญหลวงพ่อเนี่ยอันนี้เขาสมมุติเอานี่เข้าใจอย่างนั้นแต่ตัวเองเขาท่านไม่ได้บวชในเป็นโยมแต่ปฏิบัติธรรมะเขานั้นเป็นอย่างนั้นบนันนี้พระพุทธลูกก็สมมตุติให้ว่าสมมุติทุกอย่างรู้แม่ผู้ใหญ่บ้านกำนันรู้เงินทองนี่รู้ทองคําทองเขิมเป็นสมมุติทั้งนั้นแต่ตัวเองมันไม่รู้นี่มันเป็นอย่างนั้นก็เลยรู้จากสมมติสีเ ท, ท, ทวดาเขาสมมุติขึ้นมาเห็นสีตะวันเนี่ยเห็นสีเพราะเรามีตาทิพย์น้อย หูชิดน้อยเห็นเทวดาพูด ก, กับเทวดาได้บ่เนี่ยเห็นผีพูด ก, กับผีได้บ่เนี้มันเป็นอย่างนั้นอก็อเลยเข้าใจผีคือคนทําชั่วพูดชั่วที่ชั่วแต่เราก็ไปพูด ก, กับเขาได้เนี่ยพูด ก, กับผีเทวดาคนพูดดีทดําดีคิดดีอ๋อเราไปพูด ก, กับเท ว, วดาแล้วบ่เนี้มันเป็นอย่างนั้นก็เลยอมันสมมุติคนก็เลยไปติดสมมุตินี่เองไปไม่ได้คันไปไม่ได้ตำลาขบอกว่าปฏิจจัตมุขบา้านว่า อาวิชาเป็นปัจจัยเกยิดสังขารไม่ต้องพูดถึงอะไรแบนเอาอุปทานทีเดียวก็ได้นะอุปทานเตว่ยึดมั่นถือมันแล้วไปยึดอันนั้นแล้วแบบนี้มันก็ใส่ไม่ได้เป็นอุปทานแล้วแบบนี้เนี่ยโอ้ตำนาพูดอย่างนั้นเรามาแก้ตัวนี้พี่อันตำนาน่ยมันดีแล้วนะ่แต่เราไม่ได้ลงมือปฏิบัติไม่ได้ลงมือทาํามันเลยไม่เข้าใจตามคนจริงที่มันเป็นจริงเร า, เราไม่เข้าใจถ้าพระเจ้าท่านสอนให้เรามีสติกําหนดรู้ในอิริยาบถ ท, ทั้งสีเนี่ยเราไม่ทําเลย แต่จังหวะเนี่ยยืนเดินนั่งนอนนี่นนก็ยังไม่พอท่านว่าให้มีสติเข้าไปกำหนดรู้ในอิริยาบถย่อยคู่เยื้อเคลื่อนไหวเราไม่รู้เลยอิริยาบถย่อยเนี่ยอาจามาไม่เคยรู้อิริยาบถทั้งสี่เนี่ยรู้เพราตํารามันตรงจริงจริงอิริยาบถย่อยเนี่ไม่เคยรู้เลยไปกําหนดลมหายใจว่าเป็นอิริยาบถย่อยความจริงการเคลื่อนไหวนี่แหละเออเราเรียนมาแล้วทำไมจริงไม่รู้เพราะเรามันไม่ไม่มีปัญญามันไม่มีหูทิพย์ไมมีตาทิพย์มันไม่สามารถที่จะไปแทงคําพูดคําสอนอนั้นได้ ก็เลยทําไม่ติดแบบ น, นี้เราเอียงไปเอียงมาพลิกมือเนี่ยเอ้าอันนี้มันเป็นอิเลียบทจริงๆเนี่ยจึงว่าหาวิธีมาให้พวกเราทําอันนี้แหะเป็นวิธีอิเลียบทย่อยเพราะว่ามันเป็นอิเลียบทใหญ่อิเลียบทย่อยมันเคลื่อนไหวโดยวิธีใดมันก็จะค่อยรู้ติดตามไปตามธรรมชาติของมันจริงๆเมื่อรู้สมมติอันนี้แล้วก็รู้ศาสนาขึ้นมาเห็นรู้เข้าใจศาสนากับธรรมะเป็นอันเดียวกันตัวศาสนาแป็ว่าคําสอนง สอนใครสอนผลก็ตัวคนที่เป็นตัวศาสนาตัวคําสอนก็เป็นธรรมะมาที่ตัวคนก็เป็นธรรมะสิแบบเนี้ยก็เลยเข้าใจอย่างนี้ทุกคนเป็นตัวศาสนาเนี้ยอันตัวศาสนาไม่ได้หมายถึงพระพุทธลูกอันนั้นก็ดีแล้วศาสนาไม่ได้หมายถึงโบสถ์ไม่ได้หมายถึงกุฏิไม่ได้หมายถึงวัดอตัวศาสนาจริงๆคือตัวคนตัวพุทธศาสนาคือตัวมันรู้นี่โอ้พุทธะแดี๋ยรู้อ๋อเนี่ยพุทธะนี่มันหมายถึงผมรู้อันนี้เข้าใจอย่างนั้น เมื่อเข้าใจอย่างนี้ก็เลยโอ้ขุมจริงนี่มันมีอยู่ในคนทุกคนแม้จะเป็นคนซาตานใดก็ตามเป็นคนเจ็ดคนไทยก็ต า, ามเป็นคนเดี๋ว่าคนคนแก้วบ้านหลวงพ่ออยู่ทางเมืองลาบใกล้กับเมืองลาบเขานั้นจ้างคนยวนเนี่ไปปุกุกติให้เขาไปทำ น, นโอ้คนคนยวนคนแก้วก็มีธรรมะเหมือนกันเป็นศาสนาเหมือนกันเขาจะถือศาสนาใดก็ตามสร้างเปงน็นบรรรุเท่านั้นเองคําว่าศาสนาเนี่ยหมายถึงตัวผมเข้าใจอย่างนั้น พุทธศาสนาเนี่ยหมายถึงตัวสติปัญญาของบุคคลผู้ที่เอาไปใส่นั้นได้แก้ปัญหาตัวเองได้เป็นพุทธศาสนาแต่ปัญญาที่ไปเรียนหนังสือปัญญาไปหาเงินนี่เป็นปัญญาเรื่องหนึ่งแต่ปัญญาเอามาแก้ปัญหาตัวเองเนี่ยมันปัญญาอันนี้มันปัญญาอันนึ่งมันคนละปัญญากันแต่เราก็ลังเรียกว่าเป็นปัญญาอันเดียวกันนาดเนี้ยแยกปัญญาเหมือนกันนี่มันเป็นอย่างไ้พอดีรูปศาสนารูปพุทธศาสนามาดีแล้วก็รูปบาดรูปบุญเลยบาปคือเราไม่รู้ กูตามที่เขาเขาไปปฏิบัตินะเดี๋ยวนี้ก็พูดอย่นะบาปก็คือโง่นั่แหละบาปคือมืดบาปคือไม่รู้บาปคือหนักอกหนักใจบุญอเบนเนี่ยมันแสดงมาอย่างนี้บุญคือเรารู้บุญคือเราเห็นบุญคือเราเข้าใจบุญคือเราไม่ติดไม่ข้องอะไรเลยบุญคือเราเราสบายใจนี่หลยโอบุญนี่มันอยู่กับคนนี่แล้วเโอ้บุญมัอยู่นี่สวรรค์มันเนี่โอ้สวรรค์มันก็อยู่ที่ตรงนี้นิพพานมันก็อยู่ที่ตรงนี้อ้าว มันไมเป็นตรงเอาคํำพูดคําสอนของพ่อแม่ปู่ย่าตายายให้คุณให้ฟังสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจพระนี้พางก็อยู่ที่ใจโอ้ความจริงพ่อแม่ปู่ย่าตายาเนี่ยเขาเรียนมาดีแต่เรามันไม่รู้นี่เองอันไม่รู้แต่เพราะเรื่องอะไรเพราะเรื่องเราไม่ทาตามมิได้ไปฟังคําพูดของคนอื่นเท่านั้นเราไม่ทําตามยานอันนั้นจึงไม่ปรากฏเมื่อเราทําตามแล้วมันปรากฏขึ้นมาจริงๆแต่มานี่ทุกคนอาตมาเข้าใจว่ า, าคงจะได้ยินได้ฟังมาเรื่องนี้ อตาตมาก็เคยพูดให้ฟังมาหลายครั้งหลายคนเลยพระพุทธเจ้าท่านว่าสัตว์ทั้งหลายคือเราสถาพสัตว์ทั้งหลายเหมื อ, มอนกับเราสถาคตมันคือกันทุกคนคือกันหมดคนไทยก็เหมือนกับค น, คนอินเดียคนน่ะมีตามีมหูให้ว่ามีขันห้าเหมือนกันแล้วก็มีท่าที่เหมือนกันมีอัญตณะมีเหมือนกันมทุกอย่างที่เดียวแก puedes, ไม่เหมือนกันตั้งแต่สูงกับตั้มก็นั้นเองตั้มขาวไม่ไม่เหมือนกันแต่คือกัน เมือันคนไทยจะมีสูงมีต่ำมีดำ ม, มีขาวก็มีเหมือนกันท่านสอนห่อยทุกคนเหมือนขันหมดขันไว้แต่เราไม่เชื่อเลยนึกว่ามันเป็นไปไม่ได้เนี่ยขึ้นไปอย่างนั้นอาจจะมาคนใดปัทนาเป็นคิดว่าโ้ยทุกนี้ทําไมไปปัทนาอย่างนั้นเข้าใจไปอย่างนั้นแต่ความจริงเนี่ยคำพูดของคนไม่รู้มันก็ต้องพูดแต่อย่างนั้นเลยเรื่อมารู้แล้ว่าเรื่องนี้มันมันหน้าที่ของคนไม่รู้พูดหน้าที่ของคนไม่รู้ทํา ว่าที่อาตมาพูดเนี่ยไม่ต้องรอคอยถึงพระพุทธเจ้า อ, องค์ไหนเลยพระพุทธเจ้าของเราท่านสอนเอาไว้ดีแล้วเจ้าสายสิตถกปมมานเรียว่าสมณะโภดมเนี่ยสัพช่างหลายสิเราพูเป็นตถาคตเนี่ยไปถึงแล้วแห่ง น, นั้นแล้วจึงนํามาสอนพวกเธอทั้งหลายให้พวกเธอทั้งหลายจงประพฤติปฏิบัติตามย่างเราตถาคตนี้แล้วก็จะรู้ย่างเราตถาคตนี้ แล้วก็จะเห็นอย่างเราแต่ทหกนีนะ้แล้วก็จะเข้าใจอย่างเราแต่ทหกนี้ท่านสอนแต่เราไม่ทําตามเราก็เลยไปรักษาศีลไปให้ทานไปทํากรรมฐานให้มันสงบแบบนั้นแบบนี้เพราะเราไม่รู้เนี่ยความสงบงมัม น, นมก็ไม่เหมือนกันเมธสัมมาทิสก็ไม่เหมือนกันเมธสลอดนีมิตรก็ไม่เหมือนกันไม่เหมือนกับที่พระพุทธเจ้าท่านสอนเราเอามาใจ้กันทุกวันเลยแต่คนอื่นอาจจะเหมือนตัวของอาจจะมาไม่เหมือนเป็นอย่างนั้นดังนี้เราไม่ทําตาม มันก็ไม่รู้ตามพระพุทธเจ้าแล้วไงเมื่อเราทุกคนทําตามลองดูอยอดปีนี้เป็นปีเก่าแล้วต้องทําตามลองดูอ่อปีต่อไปเป็นปีต่อไปเดือนเดือนหน้าน่ะวันที่หนึ่งมกราต้องเป็นปีใหม่ต้องทําแบบนี้นะทําแบบใหม่แนละ้วจิตใจมันจะเป็นเข้าสู่สภาพภาวะใหม่จริงๆนี่มันเป็นอย่างไงเทศนํามาเล่าให้ฟังเนี่ยพูดลูกความจริงใจมันไม่เกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าองค์ใดเลยไม่เกี่ยวข้องกับตำรับํานาอะไรทั้งหมดแต่ขอให้เรามาทํำผมรู้สึกนี้อันเดียด รวมรู้สึกนี่เป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดตำล่าก็พูดเอาไว้อยู่แล้วว่าวิชาอวิชาเนี่ยเป็นคําพูดภาษาบาลีไม่ใช่เป็นภาษาไทยเป็นควรไม่รู้เลยวิชามันเป็นคน ร, รู้ก่อนอ่ะแต่ว่าไม่รู้วิชามันเป็นคน ร, รู้มันรู้ผิดท่านเขามันทําไปตามอารมณ์ทําไปอย่างที่ไม่ถูกต้องตามแบบของพระพุทธเจ้านั่นเองที่ว่าพวกเราเ มันควรทําตามจริงๆเพราะเราเป็นคนไทยจริงๆหือศาสนาพุทจริงๆเนี่ยและมันยุคความทุกข์เกิดขึ้นมาเนี้เราทุกคนก็อยากแก้ปัญหาเรื่องทุกข์นี่ยตัวเองแก้ตัวเองไม่ได้อยู่แล้วและจะไปแก้คนอื่นมาแก้ไม่ได้ที่บ้านเอาทําบุญดีทําบุญเลยจะมาแก้ทุกข์ได้ไหมไม่ได้ อ, อ่จารย์ไปรักษาศีลแก้ทุกข์ได้ไหมแก้ไม่ได้แก่จริงนะในกาลังสังเทศจะมันแก้ได้แต่บางเทีเขาก็แย่ไป ก็เป็นบังคับไปในขณะเป็นนั่งขมสงบยังแก้ได้แต่ออกมจากนั้นมาแล้วไปเข้าสงังขมไม่ติดเลยมันเป็นยังมันสู้ไม่ได้เลยอันนั้นแสดงว่าเราไม่ทําตามแต่ตัวเองว่าตัวเองทำตามมันเป็นอย่างนั้นห่นะครัชายอ๋อมันเป็นอย่างนี้ก็เลยเข้าใจบัด น, นี้ก็เลยมาพูดตอนที่เรื่องรูปนา้ำนึงมันเป็นปนิพพานูวันนี้พอรู้ลูกนาำจบมันเป็นปนิพพานู คำ ว, ว่าวิปัสสนูนี่ตําลาเขาก็บอกว่าวิปัสสนุปกรณ์สิบหกประการตํารามีแล้วนีะแต่ไม่รู้มันกลับไปพาควิจาร์ออกนอกตัวไปเช่นไงมันเนี่ยพากวิจารณเรื่องนั้นเรื่องนี้แบบนอกตัวไปมันรู้มันป่าตัวอีกแล้วอันความรู้สึกตัวนี่เป็นเหตุจริงๆคนมันจะเกิดปัญญาให้เราแก้ได้จริงๆเราเคยได้ยินไม่ได้ว่าเคยได้ยินเราพูดกับปากตัวเองก็เคยพูดเลยอยู่ที่นี่ต้องพูดทุกสมุทยัยนีโรดมากคเคยพูดไหม เคยพูดหลายคนเลยเยเคยพูดหลายคนเคยพูดทุกคนเลยแล้วแล้วไม่รู้คนมามันจะพาพวกเราก็เคยพูดบ้างไหมครับเคยเจ๊ไม่ไม่เคยรู้นะเจ๊พูดให้แต่ไม่รู้สําคัดยังวะเนี่ยทุกประเป็นเราไม่รู้เลยตัวคิดเนี่ยมันทุกมันคิดออกนอกตัวเราไปเนี่ยเป็นตัวสมุทัยเลยสมุทัยทําให้ทุกเกิดแต่เราเราไม่รู้เลยตัวมันคิดออกนอกตัวไปนี่เป็นตัวสมมุติทัย เราไม่รู้มันคิดเนี่ยเป็นผลออกมาคือผลก็ได้รับทุกนั่นเองไม่ต้องมากนะทีนี้ไม่ต้องเกี่ยวกับตัวทุกสมุไทยนะทีนี้ให้มันรู้สึกที่มันให้มันรู้สึกตัวเพอาที่มันคิดปุ๊บมันก็นเลยไม่ได้เข้าไปปรุงมันก็นเลยไม่มีทุกนี่มันมาใกล้ๆทีเดียวไม่ต้องไปไกลทีเดียวนี่ยที่เอามาใช้กับตัวแตมาทุกสมุไทยเนี่ยมันเป็นคําเดียวกันเราไม่รู้ผมคิดมันออกไปมันก็ไปปรุงที่ดีใจเสียใจอะไรเหต นี่เพอใจไม่พอใจมันมีเนี่ตัวทุกข์ขึ้นมาแล้วตอนนี้ตัวมันคิดทั้งนั้นเราไม่รู้มันคิดมันเป็นทุกข์ไม่รู้อาจารย์เจนตกเย็นที่ยังรู้นะนรื่องมันเป็นวิปัสสนูนี้บัดนี้มัดมเนี่ยมัดคือเรารู้ตัวเรานี่เองเอาสติมาคอยจ้องอยู่เนี่ยมันจ้องอย่าไปจ้องมากถ้าจ้องมันจะมือมีจีสัหนักหัวหนักอกหนักใจมันหนักถ้าไปจ้องมันทําสบายสบายมันเคลื่อนไหวโดยวิธีพอรู้อันรู้นี่เดียวมัด มักจะเป็นข้อปฏิบัติเพื่อให้ถึงความดับทุกข์เคยพูดบ้างไหมอย่างนี้เคยพูดนะอันนี้มันมันเยอะแยะกันเนี่ยแต่เราไม่เข้าใจแต่พูดได้ไม่เข้าใจอันเนี้ยตัวนำมาไม่เข้าใจพวกท่านคงจะเข้าใจกันได้แต่ฟังดูแล้วกันคายคลายสิบันนะี้นะแล้วเห็นมาฟังกันพูดแต่เรื่องที่มันจะไปแก้ทุกข์ทางนั้นแต่ว่าตัวจริงยังไม่เคยเอามาทํากันเนี่ยจะเป็นอย่างไงยกอึดใจเดียวเท่านั้นเองอยาขมอะไรไทยอดินไร้กม แก้ให้ได้จริงๆแต่ไม่ต้องเอาอันน้ำอ้อยน้ำตาลมาเคลือบมันเย็นี้เอาเจลน้ำอ้อยน้ำตาลมาเครือบยาขมกินให้มันกินได้สบายเลยเจากรมจริงอันนั้นดีแล้วแต่ว่ามันแก้ทุกไม่ได้เลยมักคือเรามาให้รู้สึกนี่เองผลของมันมันจะดับทุกได้เลยมักนิโรธอะไรนิโรธมักกันหน่อยมันกลับกันคือมันไม่ได้ปรุงเลยเมื่อกมคิดไม่ถูกปรุงมันก็เป็นนิโรธไปในตัวมันเลยไม่ต้องพูดเลยมาทุกสมุทัยเดือดร้อนมาไม่ต้องพูดถลยก็ได้เลย อาตมาเคยพูดให้ฟังบุตรบเหมือนเอาเสื้อเส้นเดียวมาคืงไว้ตัดตรงกลางมันแล้วมันไม่ถึงกันแล้วอันนี้เรียกหมักนะมันไม่ถึงกันแล้วมันก็พุ่งต่อกันไม่ได้มันก็มันก็เป็นโลดมันก็ตัดวงจรเนี่ยมันก็ไม่เป็นวัตฏะแล้วมันมันไม่มีเรื่องอะไรนะโยมเลขาอาจารย์ทุกท่านแต่มันมีเทคนิคมันมีกลไกเทคนิคมันเป็นยังไงสินะกลไกมันเป็นยังไงสิอันนี้มันต้องปฏิบัติกันจริงจังไม่เอาจริงเอาจังไม่รู้เรื่อง เข า, าอาตมาเคยเห็นอาตมาพูดเรื่องนี้มาตั้งแต่ปีฟอสองพันห้ารอยเป็นโยมพูดมาแล้วสองปีกับแปดเดือนเป็นโยมสอนมารู้แต่คนมันเขาเอกันไปที่คำพูดเแต่ม้อตำนานมันมีที่บนี้มาบวถ์บนเนี่ยบวกก็พูดเลยเพราต้องการอย่างนี้เพราะเจ้าของชอบอย่างนี้ให้จะพูดยังไงก็ตามเราจะพูดของจริงให้คนฟังเข้าใจอย่างไงอันนี้เนี่ยของจริงแท้เลยอันนี้แหละของจริงของสั้นๆไม่ไปทําให้มันยาวเลย ขอสบายสบายไม่ต้องไปทำให้มันยุ่งถ้าเราไปทําของสั้นไปให้มันยาวมันก็นานจบทําของสบายสบายมันยุ่งมันก็ยุ่งขึ้นมามันก็เลยไม่เข้าใจเลยที่พูดนี่น่ะอันควารู้สึกอันนี้เนี่ยมันสามารถที่จะไปบังคับได้จริงๆแต่ทารู้เดี๋ยวนี้เนี่อรู้ข้างเดียวมันก็ไม่ได้เมืันก็เราไปเรียนหนังสือเนี่ยพวกพวกหนูเรียนหนังสือเอาคที่ได้ปริญญาไม่กี่ปีออกพูดให้ฟังกี่ปีพูดใี้ฟีง เจ็ดปีพุนา่าตั้งตั้งหลายปีนะเขาจะได้ปริยาตีปริญาโถปริญาเอกมาพูดเนี่ยจะเรียนคกไก่ะถมนึ่งผสมสองบ้านหลวงพ่อเขาเรียนกันแล้วเดี๋ยวนี้มีมีโรงเรียนปีหนึ่งยังยังยังไม่เป็นอันนี้เรามาพลิกมือบันเดียได้ยันมันครบมันก็ไม่ครบแล้วเนี่ยมันมันมันมันพอแหงเลยมันเป็นสัำดานมาพอ เ, เราจะมาฝืนฝูอันวิธีรู้สึกตัวเนี่ยเป็นการไถ่ถอนเอา คำสอนของพระพุทธเจ้ามาให้มันเข้ามาสู้กับโลกนี้ได้โลกคือให้มันสู้ตัวเรานี่แหละแต่เอาไปสู้คนอื่นนั้นบางทีเขาจะไม่ชอบแล้วก็แล้วงใส่เราไม่มีเรื่องอนี่แี่ว่าควรที่ทําอันนี้เลยเป็นการทําให้หลักพระพุทธศ า, ศาสนาเจริญจริงๆไม่ต้องไปอะไรมากกันทําไมซิว่าหลักพระพุทธศาสนาจเจริญได้เนี่ยอ้าวเราก็ได้ยินอยู่แล้วเนี่ยพระพุทธศาสนาจ ะ, จะเจริญมอกงามก็ต้องอาศัยบริสตี คือภิกษุภิกษุนี้อุบาสกอุปสิกขาเนี้ย่วประพฤติปฏิบัติซอบตามพระธรรมวินยัยหรือตามคําสอนของพระพเจ้าอยู่แล้วมรรคผลนี้ผ่านไม่ว่างจากโลกนี้ทันว้นในทางตรงกันข้ามมันเนี่ยพุทธศาสนา จ, จะอันตรทานหายไปก็ต้องบริษัทสี่นี้เองไม่ประพฤติไม่ปฏิบัติไม่ทําให้ถูกต้องตามพระธรรมวินยัยก็หมดไปเท่านั้นเองดังนั้นหลักวิธีการเคลื่อนไหวเนี่ยหมดไปนามแล้ว เราก็มีที่เสียงไปพูด ก, กันได้ว่าสติประธาน C อันนี้สองสติประธาน C มีที่พูด ก, กันอย่างนั้นแต่ไม่เอาวิธีมาทํามันก็ไม่มีเทคนิคมันก็ไม่มีคนไกจมันก็เลยไม่รู้ที่แบบนี้คนพูดก็คือว่าตัวเองอวดดีไปกีวันไม่ใช่อวดดีเอาคนจริงมาพูดให้ฟังไม่ได้อวดดีนะอันเนี้ไม่ได้เรียนตําราจะมาอวดดีทําไมเจเอาคนจริงมาไว้ฟังเขารับรองวิธีนี้รับรองจริงๆทีแรกรู้รูปนาเข้ามามันจะไปโดนิสสันนูรันทีไม่มากกว่าน้อย อ้าวตอนรู้จากควมคิดเข้ามาเนี่ยมันจะจิตใจมันจะวันที่หนึ่งนะเราเมื่อจิตใจเราจะเปลี่ยนออกจากภาวะนี้ไอเข้าสู่สภาพนั้นเป็นปีหมายก็มันจะเป็นปีตระยานเซ็ีปีนั่นเนี่ยเป็นอย่างไงบัดนี้เมื่อมันเข้าสู่ภาพนี้แล้วมันจะไปถึงที่สุดของทุกมันจะเป็นที่พหลาดมันต้องมีเทคนิคมันต้องมีคนไกบุคคลที่สอนต้องรู้จริงๆถ้าไม่รู้จริงๆเอาเราไปก็ไม่ถูกขาดไม่มากก็น้อยเราจะไปหลวงทานจริงๆนะอันเนี้ย ถ้าหากมีทางดีๆแล้วมีคนเดินหน้าดีๆออกไปทางนี้อย่าไปท่านนเลยเราก็เดินทางไปมันก็ไม่นานก็ถึงที่มันเราเปนหลงพวกคนอยู่มันอกับคําคแล้วกันเหตุนี่เป็นอย่างนั้นชีวิตของคนมันไม่รอคอยไม่รอคอยแต่แ ท, ท, ท, ท่วันหนึ่งก็มีสิบสองชั่วโมงเนี่ยคืนหนึ่งก็บสิบสองชั่วโมงก็บยี่สิบสี่ชั่วโมงไปแล้วหมดไปแล้วมันกินเราอันนี้แหละมันกินเราพระพุทธเจ้าที่จริงสอนเอาไว้แต่ไม่ได้เห็นพระพุทธเจ้านาพ่อแม่ก็เคยได้ ว่าให้ฟังครูบาอาจารย์ก็เคยเล่าให้ฟังคนเกิดมาหลายปีอยู่สแต่ไม่รู้สภาพภาวะของจิตใจเกิดดับอันภาวะจิตใจเกิดดับนี่มันเป็นเอาพลิกมือขึ้นมันเกิดมันดับมันคิดมันเกิดมันดับอันนั้นอรตมาไม่ได้พูดนะอันนั้นอันนั้นมันเกิดดับอันนี้ใครกต่พอที่อยารู้ได้เนี่ยปฏิบัติรู้จากลุ้นน้ารู้ทันทีอันนี้เกิดดับอันนี้พอดีรู้จักจิตใจเกลี้ยงภาพสภาพนั้นไปอยู่สภาพมันก็รู้จักขึ้นมาอาการเกิดดับแบบนี้แต่ไม่ใช่เป็นอาการเกิดดับที่ตัวอรตมาพูดนี้ ทำไมจะไม่ใช่มันพูดไม่เป็มใจอาการเกิดดับคําเดียวกันมันมีขั้นมีตอนอย่างนี้คือเรื่องสงบนี่ก็เหมือนกันมันเป็นขั้นเป็นตอนมันไม่ได่สงบแบบนั้นมันเปนสงบคนละเรื่องกันมันเป็นอย่างนั้นตอนนี้คนเกิดมาร้อยปีถ้าหากไม่รู้จักลูกเกิดดับใจเกิดดับสภาพอันนี้ยังไม่เข้าสู่สภาพเข้ามาจริงๆเลีวิตคนนั้นเป็นใหมสู้บุคคลที่เกิดมาเพียงบันเดียวเข้าใจและปฏิบัติให้รู้สภาพภาวะอันนั้น คนที่เกิดมาเพียงวันเดียวเนี่ยรู้เห็นเข้าใจชีวิตของคนนั้นประโยชน์ของคนนั้นคุณค่าของคนนั้นดีกว่าคนเกิดมาร้อยปีอันนี้พ่อแม่ครูบาจาังร้อยตัวเองก็เคยพูดมาแล้วเรื่องีแต่ไม่เข้าใจเนี่ยจึงว่าเกิดจากท้อแม่ขายนั้นอาจจะมาชีวิตของอจะมามีค่าน้อยมากพอดีมารู้อันนี้ว่าชีวิตนี้มีค่ามากที่สุดเข้าใจว่ามีค่ามากที่สุดจริงๆบวชมาร้อยปีแบบ น, นี้ถ้ายัางไม่รู้สภาพอันนี้ภาวะอันนี้ การบวชของบุคคลนั้นก็เป็นหมันเป็นโมฆะอยู่แล้วบุคคลที่บวชมาเพียงวันเดียวแต่มารู้สภาพอันนี้รู้ภาวะอันนี้ดีกว่ามีประโยชน์กว่าบุคคลที่บวชมาร้อยปีอยู่แเนี่ยเราจะไปเสื่อกันที่ไหนตัว น, นี้เรารู้แล้วหรื อ, อยังถ้าเราไม่รู้จะไป น, นอนใจนะอันนี้ทําเพื่ออะไรอาจารมาเคยพูดให้ฟังจวนจะาดลมหายใจเราจะประสบันทจริงเราเกลียมไหมเราเกลี่ยมไมให้มันเป็นเครื่องไม้เครื่องมือเราเครื่องไม้เครื่องมือเราให้เรารู้วิธีอันนี้โอนไกลมันอยู่ที่ตรงนี้เอง แต่เมื่อไม่รู้อันนี้ก็พูดไปทั้งวันทั้งคืนกับพูดกั็นคดีเหมือนกั น, กนแต่พูดทุกวันนี้ก็ไม่เหมือนทุกวันเนะี้ยพวกท่านบอกฟังนี่ก็รู้สึกโอ้ยหัวหใจฟนะังไม่ได้เรื่องสิว่าอย่างานั้นแต่มันเป็นเนื้อแท้เนื้อเป็นหัวใจจริงๆทุกคนศึกษาได้ทุกคนต้องมีแล้วอันนี้พร้อมแล้วมีแล้วแปลว่าเราจะทําให้มันมีดื้อทําให้มันไม่มีจะทําให้มันปรากฏขึ้นมาหรือจะไม่ทำตัวนั้นเองแต่เมื่อไม่ทําให้ปรากฏจริงๆเรื่งนี้แม้จะไปรักษาจิตอันนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึง จะไปทำกรรมฐานกข้าไปอีกเรื่องหนึ่งจะไปอะไรก็ตามเป็นคนละเรื่องเลยเพราะการเคลื่อนไหวเนี่ยมันมันเข้ามาสายนี่ทีเดียวมันเป็นลูกปืญแจลูกนี้พี่มันไม่ใช่เป็นลูกกืนแจลูกนั้นและถามก็ไปทางนี้มันไม่ใช่ไปทางนั้นความสงบมันจึงมีสองอันมันแยกกันที่ตรงนี้ทีเดียวการศึกษาสีนี้เป็นปีเก่านะต้องศึกษาวิธีคนของเก่าจริงๆเนี่ยของเก้าตัวเราเกิดมาแล้วก็เป็นของเก้าที่มูลระดกอันนี้ยพอแม่ให้มาแล้ว ปู่ย่าตายายให้มาแล้วหลายส่วคนแล้วท่านให้มาแล้วแต่เราไม่เคยเอามาใสของเก่าเนี่ยเอาแต่ของใหม่เรื่อยไปมันก็เลยไม่รู้ของเก่าเลยเลยไม่รู้จริงๆอาจจะมาอายุสี่สิบหกปีอย่างลูก่าโถมันแทบจะตายไปเกี๋ยแล้วนี่มันมันจะเสียหลักแล้วเป็นอย่างนั้นผมรู้อันนี้เน่ะเราจะเอาเงินไปซื้อไม่ได้จะเป็นเรียนตํานานแล้วให้มันรู้อ น, นี้เกิไม่ได้ มันต้องขึ้นอยู่กับการปฏิบัติจริงๆเรื่องนี้หรือจะไปฟังไปถามแก้ปัญหาคนนั้นคนนี้กับแก่ไม่ได้อันนี้อัตมาเคยเคยไปแก้ปัญหากับอาจารย์อาจารย์ถามมักพิกเผ็ดไหมคับเพราะมันรู้แล้วเนี่ยมักพิกไม่เผ็ดมักพิกกับมักพิษอันเดียวกันนะเกลือเค็มไม่ไม่เค็มน้ำอ้อยหวานไม่น้ำอ้อยน้ำตาลไม่ไม่หวานอัตมาบอกอย่างนี้ทําไมจี้มักพิกไม่เผ็ดมักพิกมันอยู่กับท่อพุ่อยู่กับต้นเหมือนทุนมันได้กินมันจะเผ็ดไปทำไมเกลือมันกระยุ่พุน นก็ทอมพุ่นยุไก่ไก่พุ่นมันก็ไม่ไม่เข็มน้ำอ้อยน้าตาลก็ายอะที่ไหนพวกมันไม่ได้กินมันมันมันไม่หวานไม่เปรี้ยวอะไรก็ตอบอย่างนี้เลยบอกบ้ามันก็บ้าจริงๆขานั้นไม่รู้มะเข็ดนี่มันเผ็ดไข่ฐานของมะเข็ดมันเผ็ดแต่ควมจริงตัวเองไม่ได้กินมะเข็ดเลยไม่ได้กินน้ําอ้อยน้าตาลอยู่ที่ไหนก็มีคนถามว่าหวานเกือก็เค็มแต่ความจริงอันนี้ก็เหมือนกันโอหลักพระพุทธศาสนานีนเมื่อคนเข้าสู่สภาพภาวะอันนี้เนาะ มันจริงมันแนบแนบอยู่กับจริงไม่จริงๆอันนี้แหละมันเป็นทุนของทุกคนควรที่ศึกษาเอาอไว้เมื่อรู้อันนี้ชีวิตของเราจะมีราคามากมีค่ามากที่สุดเพราะว่าซื้อไม่ได้ขายไม่ได้ชีวิตี่จริงไม่มีราคาคนขายพันหนึ่งสองพันล้านหนึ่งสองล้านไม่มีคนซื้อเลยและก็ไม่มีคนขายเลยเป็นอย่างนั้นจงังหวะชีวิตเราควรให้มีราคาจริงๆแต่เราไม่สนใจเรื่องนี้เราไปสนใจเรื่องอื่นมันก็เลยรู้เป็นเรื่องอื่นไป บันนี้ก็อยากเตือนพวกเราให้พวกเราทําจริงๆเมื่อมาแล้วอย่าให้มันเสียเวลาแต่ความคิดอันนี้อาตมาเคยพูดเอาไว้ว่าศึกษาแบบใดก็ได้นั่งนอนได้ทั้งนนะแต่ว่าอาตมาพูดได้ได้คนที่รู้แล้วคนที่ไม่รู้ไม่ได้ตัวอาตมาไม่ได้อาตมามาทําอย่างนี้อาตมาจึงรู้เมื่อรู้แล้วอาตมาไปนอ น, นทำก็ได้นั่งทําก็ได้ยืนทําก็ได้ไม่เคลื่อนไม่ไหวที่ไน ก, ก็ได้อาตมาแต่ก็ต้องทําเป็นยังไงแล้วต้องทํำที่ทําปูสาพระพุทธเจ้า ทำ菩萨พระธรรมเจ้าทำ菩萨พระ ส, สงฆ์พระพุทธเจ้าคือใครสิเนี่ยพระพุทธเจ้าคือขมรู้นั่นเองท่าธรรมเนี่ยคือการกระทำนี่เองพระสงฆ์คือปฏิบัติตาม ท, ที่เรารู้นั่นเนี่ยจังไงไม่เป็นคนอักขนยูเจ้าของรู้มันจะไปทิ้งบางคนไม่ตามเลยเนี่ยเป็นคนอกักขันยูคนนั้ไม่ใช่ว่าอักขันยูอย่างที่เราเออเป็นอย่างช้นสี่ไม่ใช่อักขนยูคือเป็นคนลบล้างตัวเองยัว่าคนไม่เคารพตัวเองเนี่ยจะไปเคารพผีได้ไหมไม่ได้จะไปเคารพเทวดาได้ไหมไม่ได้ไ เพมันไม่เห็นผีมันจะเคารพผีได้ทำไมมันไม่เห็นเทวดามันจะเคารพเทวดาได้ไหมมันต้องเห็นตัวเองเคารพตัวเองจึงเป็นการเคารพผีเป็นการเคารพเทวดาเป็นการเคารพตัวเองเป็นการเคารพอะไรทั้งหมดเลยคนถ้ารู้จักตัวเองแล้วถ้าไม่รู้จักตัวเองเนาะเคารพไม่ถูกต้องจริงๆนี่ดังนั้นให้พวกเราถามจริงๆตำราเขาบอกไว้แล้วว่าเจ็ดปีเจ็ดเดือนหนึ่งวันถึงสิบห้าวันมีอันนี้สองสองประการหนึ่นนเป็นพระอรหรันต์ สองเป็นพระนาคามีทันวนันมีอยู่ในหลักสูตรธรรมวิจารอาจมาได้ดูแต่วิธีนี้ไม่ต้องเอาอย่างนั้นหน่อยไม่ต้องเป็นพระอรังต์ไม่ต้องเป็นพรนะนาคามีแต่ทุกข์น่าจะลดน้อยไปความสงสัยน่าจะหมดไปนั่นี่ความสงบบางทีที่ตรงนี้สง บ, บแบบนี้ไม่ต้องไปนั่งเนี่สงบเพราะขาดหยุดเรียนสงบเพราะหยุดการไปศึกษากับคนนั้นคนนี้สงบเพราะหยุดเพราะไ ม, ไม่ไม่ถามใครแล้วพอเจ้าของเรียนจบมาแล้วความสงบแบบนี้ไม่ใช่สงบแบบนางที่ว่า สงบแบบได้คืไปทําการทํางานอะไรได้ทุกอย่างสงบแบบที่อาจะมาพูดเขียนหนังสือก็สงบคนเราไม่รู้ก่าต้องเรียนอะไรเรื่องชีวิตที่สงบแล้วไม่เดือดร้อนเนี้เข้าใจอยังงี้สงบอันนี้ต่างหากเนี่ยควรสงบที่ไปนั่งสงบนั่นอีกเรื่องนึงกลับมาเที่ยงค่ำก็จะไม่สงบอีกแล้วมันเป็นยังไงควรสงบอันนี้เปลว่าหยุดพวกเราเคยได้ยินพระวักกะลิกเรียนมาจากอาจารย์แล้ว ไม่สงบเลยพอเดไปเจอพระพุทธเจ้าจะข้าพระพุทธเจ้าตามพระพุทธเจ้าถามว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่เสียสละยันนั้นยันนี้พวกเธอเรียนมามากแล้วไม่ต้องพูดเรื่องอัตมานนยังไม่มีความรู้เพราพวกเธอขอบคุณมีคนรู้มากสมณนะคนเดินไม่กลัวตายทําไมเดินไปทําไมอเะถ้าเราไม่ได้เดินเราหยุดแล้วเี่ยยกปฐมายโกหกโอ้คนดีมาณเอา้าเราหยุดแล้วทีว่ควมสงบพระพุทธเจ้าอ่ะ ไม่แค่สงบอย่างที่เราสงบนี่อันนี้มันสงบปิดกันเราหยุดแล้วเธอที่ไม่สงบเธอที่ไม่หยุดอ้าวเนี่ยเราเนี่ไม่สงบไม่หยุดจิงจริงเนี่ยเนี่ยําชั่วพู้ช่วเนี่ยคนจะว่าเออก็เลยหยุดทันทีอันนี้เรียกวความสงบของพระพุทธเจ้าสอนสงบแต่ว่าหยุดเปลี่ยนหยุดหาหยุดไปแสวงหาครูอาจารย์สงบแบบอันนี้สงบอันนี้และสงบทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันพอปันคําว่าคนสงบมันไม้มีมิติแบบนี้มีมิติแล้วเคื่องหมาย ไม่ใช่นี่มิไปนั่งอยู่นี่เห็นผีเห็นเทวดาเห็นพระพุทธรูปอ น, นันตมรรคเห็นสิ่งที่เห็นนั่นแะเห็นจริงแต่มันไม่ใช่เป็นของจริงนะเขาเรียกว่ามายาโกนไกของจิตเขาจะว่าจิตนี้ก็กลัดได้ไวดุดมีลานไขในตน้นเราท่านควรบังคับอ้นให้จิตหมุนมาในทางข้างดีท่อปล่อยให้มันหมุนไปในทางข้างดี้ทำที่มีก็จากนี้จากนายหายสูญทําเข้าเข้างำควรระยำสมบูรณ์่ะ พอปิ้นปอกหลอกต้นให้นํามาเล่าให้ฟังเนี่ยคือวเรามันไม่รูกมันจะหลอกเราได้ใจเราเนี่ยเราหลอกมันลอกเราจริงๆเราจึงไปเห็นนิมิตที่ว่านิมิตนั้นมันมันไม่เป็นของจริงแต่นิมิตเป็นของจริงเนี่ยมันก็นคําเดียวกันคําว่านิมิตเนี่ยนิมิตแล้วเครื่องหมายเครื่องหมายอะไรเครื่องหมายจะให้มีสติเข้าไปแนบแน่อยู่ที่นั่นหรือจะให้ความรู้สึกเข้าไปแนบแน่ๆๆอยู่ที่ตรงนั้นเพราะจะงหวะนิมิตเนี่ยสําคัญขันท่านนิมิตเป็นมายาของจิตใจแล้วน่ะ อันนั้นมีมิตรมันหลอกเราพรเราไม่เห็นจิตเห็นใจครับอาตมาเดินอยู่ใ น, นข่าวนั้นะเดินดูเห็นเลขทีเดียวติดอยู่กระดานขวาเออนึกว่าจะไปซื้อเลขคุณ น, นี่มันเป็นจยางนั้นเห็นชัดจริงๆตัวเบเลอร์ท่อความมือ น, น, นี่พอที่ไปนั่งเออไปยืนดูเอ้มันเป็นยังไงก็เลยนั่งลงนั่งลงก็เดียดเท้าก็ไฝเลยมันไม่จริงดอกนั้นหายแยกไปเลยนึกว่าเห็นจริงหมาแต่ของที่เห็นน่นมันจะเป็นของจริงมันหลอกเราครั้งหนึ่งก็เห็นผี ถ้าปกหัวมาขาวๆมานอนลุกยืนขึ้นโทษจะลุกไอเลยทีเดียวนี่แหละจีวาสิ่งที่เห็นเห็นจริงแต่สิ่งที่ทุกเห็น่ไม่จริงอันนั้นไม่ใช่เป็นมีมิตไม่ใช่เป็นอะไรมันลกลไกของจิตเราไม่เห็นจิตใจเรามาหลอกเราเป็นวจิตนี่เกาะกลับได้ไหวลุดมีลานไขในต้น่เราท่านควรบังคับตัวหนึ่งให้จิตหมุนมาในแต่ทางข้างดีเพราะต่อยให้มันหมุนไปในทางข้างซีด ทำที่มีก็จากนี้จากนั้นหายศูนย์อ่ะทําเข้าครอบงำโคมละยําสมบูรณ์เต้นปอกหลอกต้นนี่เป็นอย่างนั้นอันนี้ก็พูดกันต่อไปกระไรเห็ น, นว่าดูเถิดนักบวชบางคนนะจ๊ะเอาพอเรนี้ก็าพอแล้วไม่ต้องพูดไป่เดียวนั้นมันเข้าใจผิดอันนี้แหละให้เราเร า, เราทํากันในมิจฉยยาญาติไปติดอั น, นั้นแต่ก็ไม่ได้ห้ามให้เราเอาความรู้สึกอันนี้ทีเดียวเมื่อมันคิดรู้ปล่อยไปเลยมาอยู่กับความรู้สึกตัวนี้ อย่าไปเข้ากับพงลุ่นอันนั้นคันท่าไปเข้ากับคพงลุ่นอันนั้นมันจะคิดไปเรื่อยๆไปเลยแล้วทำที่มีจริงๆมันจะไม่แสดงเลยมันก็เลยไปแสดงจะเป็นมายาลอกตัวเราไปอย่างนั้นตลอดปีตลอดชาติเลย <c oughs> ที่พูดเนี่ยเอาความจริงมาพูดให้ฟังและวิธีปฏิบัติง่ายๆที่สุดไม่ต้องขึ้นอยู่กับตําราเนี่ยแต่ขึ้นอยู่กับตัวเราใครทําคนนั้นรู้คนใดไม่ทําไม่รู้ไม่รู้จริงๆสมมติอาจมากรรมมือเนี่ยมู้เห็นว่ารูเพรากรรมมือรู้ไหมไม่รู้ รู้รูก้การมือเนี่ยเห็นว่ารู้เการมือรู้แต่ทุกความสัมผัสของท่านจะไม่มีเลยให้มันมีความสัมผัสเกิดขึ้นมาจากจิตสํานึกจริงๆอันนี้จังวะไม่ไม่เชื่อใครเลยสมัยตั้งแต่วันนั้นมาจนถึงแบบนี้ไม่เชื่อเลยพูดจะนั้งกับพูดได้เข้าใจอย่างนั้นอันนี้มันจะเข้าสู่สภาพของมันจริงๆทํารับรองว่าไม่เกินสามปนนี้ทําจริงๆนะติดต่อกันจริงๆนะแต่ว่าเป็นคนพูดจริงอีกตัวด้วยนะไม่ใช่ว่าทำสามปีเล่นๆเนี่ยไม่จริงต้องจริง อาจมาไปทํามาแล้วนี่แต่ทุกคนก็มีแข้งขาหน้าตามือเท่าเหมือนกันผู้ชายก็มีเหมือนกันแต่ผู้หญิงก็มีเหมือนกันแต่ว่ามันเป็นสภาพเพศหญิงเพศสายเท่านั้นเรื่องจ้าูกอันนี้รููเหมือนกันอาจจะมาเคยแนะนํามาแล้วผู้หญิงก็มีลูกกันมาผู้ชายก็มีลูกกันมาถ้ามันเข้าสู่สภาพของมันแลยตดใจเลยคนบางคนแล่นมาถามโอ้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้โอ้คุณให้ฟังโอ้เรื่องเท่านั้นเองเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นพ่อขอไม่เคยเป็ีนเน็ตมันก็เป็ี่ยนสิเหมือนกับติงเนี่ย มาจับเราเราดึงติงมันไม่อยากออกเลยเอาปูนกับยาใส่คุกน้ําแล้วเอาน้ําปูนน้ายามาบีบคือติงมันล่นเลมันพอดี๋ติงมันล่นมันก็เบาคึ้นไปเหมือเมื่อติงมันจับเรามันดูดตินเรื่องเรามันก็หนักมันก็ติดเรามันก็มันไม่ออกดึนมันหนักอยู่อางเงี้ยบัดนี้อย่าไปจับติงเลยเอายากับปูนใส่คลุกน้ำเราบีบน้ํายาลงไปที่นี้พอเดีน้ํายาน้ําปูนไปทึกตัวตีงตีงมันล่นเลยพอดีติงมันล่นแล้วมันก็เบากขึ้นไปเบา้มันก็สบายใจคน ถ้าถาคนเคยห้มของหนักมาแล้วเนี่คือจะพูดถึงวัฏฏะสงสารนี่ยจะไม่ต้องพูดละมือเนี่ยเพราะว่าพูดมานานแล้วนี่ให้เราทํำคมรู้สิบตัวนี้จริงๆแต่ว่าใจมันคิดให้รู้ไม่ใช่รู้รู้แล้วเข้าไปในความคิดไม่ได้อันหนึ่งพอดีรู้ปุ๊บอย่าไปดูมันความคิดเน่ะกลับมาให้มีสติอีกประตรูหนี้ถ้าไปดูความคิดมันจะลอกออกทันทีแดีวความคิดเนี่ยมันไปนอย่างยอดท่า ท, ที่นี้ก็จะหนีจากนายหายศูนย์มันจะหนีจากเราไปเพราะมันดึงเราไปแล้วเนี่ยมันจะเป็นสังขาร มันจะเป็นตัวสมุทัยไปมันจะเป็นตัวทุกข์ให้เราได้รับเลยมันจะไม่เป็นตัวมรรคพอดีมันคิดปุ๊บเรามาอยู่กับอันนี้เป็นมรรคเลยเพราะเราอยู่กับตัวนี้มันคิดขึ้นมาเราจะเห็นจะรู้มรรคคือเป็นข้อปฏิบัติเพื่อให้ถึงคผมดับทุกข์พอดีมันรู้อันนี้มากเข้ามากเข้ามันคิดปุ๊บตัดไปคิดปุ๊บตัดไปสังขารเลยไม่ได้ปลูงมันเป็นผลก็เป็นนี่โลดขึ้นมาไม่ไกลเลยอันเนี้ยอย่างทุกขสมุทัยเดีโลดมรรคเนี่ยมันอยู่ที่ตรงนี้ แต่เราไม่เคยรู้เราไปติดตำลามมันกันเลยว่ามีแต่ทษสมุทยัยที่โดนมากไปแปรกันทุนอันนี้เอาของจริงมาเราให้ไปแต่ที่โดตัวนี้กันนี่โรตุนพื้นเดี๋ยวมีโรดเบ้องต้นก่อนรุ่นล้วรุ่นานกับหมดสงสัยกับพ้นไปแล้วก็เปน็นนิโรดน้อยๆบัดนี้ๆ น, ๆนิโรดทั้นที่สองเข้ามาเราก็จะมาลุกบมคิดว่มหนักอกหนักใจมันก็จะพ้นไปมันก็จะลุดไปกลาเป็นนิโรดขายเนี่ยคำอนี้โลดคําเดียวนี่แหละมันก็เหมือนกันเอ๊ะมีโรดคําเดียวแต่มันมีหลายซันหลายฤกษ์เหมือนกันมักก็มีหลาย ดีว่ามันมีเทคนิคมันมีกลไกคนที่รู้เทคนิคคนที่รู้กลไกจริงๆจึงจะเอามาพูดคนได้จริงๆที่พูดเนี่ยบางบางคนก็จะอึดอัดใจนะแต่อึดอัดใจแต่ดีนะถ้าใครทำเพื่อได้ อ, อไปปฏิบัติมันจะเป็นยารักษาโรคไห้หายจริงๆคาว่านี้โลดตัวสุดท้ายเลยมันไม่เป็นอย่างนั้นมันจะไม่หงษ์กลับแล้วมันจะเข้าสู่สภาพเข้ามาจริงๆมันไม่หวน์กลับร่างกายที่เข้า พอดีร่างกายเนี่ยเข้าสู่สภาพของมันแใจมันก็เข้าไปเลยนี่อาการเกิดดับเกิดแล้วมันดับไปเลยมันดับไปแล้วอันนี้มันเกิดขึ้นมาแล้วมันดับไปเลยดับไปเลยเพราะมันเข้าสู่สภาพของมันมันคาดช่วออกมาจริงจิ๋ว่าเพราะว่าตาเห็นอะอยากให้รู้จักว่าเป็นรูปมันพูดไม่ได้อันนี้ตาเห็นเขาหูจักเป็นรูปลี่ยนนี่เขาจริงจิ๋วอย่าไปยึดไปถืออ้าวต่พูดคําพูดอะไรมันมีอุปทานอยู่เลยบัดนี้เราไม่ต้องพูดมันเลยให้มารู้ตัวนี้อุปทานไม่ต้องพูดมันเลย หรืปฏิจจารสมราธิกับอะไรก็ไม่ต้องพูดหมดเลยเอาตัวนี้เข้าไปแก้เลยรับรองแก้ได้ทุกวิธีแปดหมื่นสี่พันพธมรคันั่นอันนี้แหละออกไปจากจิตตัวนี้ทีเดียวเมื่อไม่เอาจิตตัวนี้ไปพูดไม่มีจะพูดเลยใช่ไหมถ้าสูตรพระวินยัยสองปีดกคือตายหนึ่งคําพูดหนึ่งไปเท้ากับปีดกเดียรพระอาทิตยรรมพระอาิตยรก็คือตัวใจมันคิดมันสร้างมาคนจิตวันนี้เรามาปฏิบัติตัวนี้เนี่ยมันรู้ตัวนี้ใจมันคิดมันเห็นก็กินกันไปทั้งหมดเลย ถ้าใจปีบกมันสั้นๆแต่เราไปเรียนมันยาวเร่องดีอันเรียนเนี่ยคนที่จะเรียนมาได้มันต้องโอ้ใจผมอดทนพยายามถ้าไม่อดไม่ทนไม่พยายามจริงๆมันก็ไม่รู้อันนี้ก็เหมือนกันถ้าไม่อดไม่ทนไม่พยายามทำจริงๆมันก็จะไม่รู้มันจะไม่ปรากฏขึ้นมาให้เราเมื่อคนใดรู้อันนี้เห็นอันนี้เข้าใจอันนี้สิ่งนี้เนี่ยเป็นหัวใจของพุทธศาสนาจริงๆพุทธศาสนานั้นไม่ใช่ว่าหมายถึงอื่นใดทั้งหมดเลยก็จะหมายถึงเพราะว่ามันเป็นเปลือกเป็นตักที่ เป็นแก่นเป็นใจกลางของตัวพุทธศาสนาจริงๆคือตัวหลุดค้นี่แหละโต้ดับทุกได้นี่แหละนี่แหละพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าก็คืออันเดียวนี้ท่านจึงว่าจับทั้งหนเราผู้เป็นสถาคตไปถึงแล้วแห่งนั้นไปถึงที่ไหนเดินไปติดไม่ต้องเดินไปคือมาถึงมันเคลื่อนไหวรู้ทําตามท่านอันนี้กันเลยเราผู้เป็นสถาคตไปถึงแล้วแห่จึงนํามาสอนพวกเธอทั้งหลายให้ทําความรู้สึกอันนี้ท่านบอก แล้วก็จะรูอย่างเราแต่ถ้าคตนี้ก็จะเป็นอย่างเราแต่ถ้าคตนี้ก็จะไปถึงที่สุดอย่างเราแต่ถ้าคตนี้ทันวันแต่เราไม่ยอมทํามั่นเอคือไม่ยอมทําตามมันก็ไม่รู้ตามที่แบบนี้เมื่อทําตามทำก็ไปตามทานได้เพียงนั้นเองบัดนี้จะรู้ยังไงเดินไปก็ท่านนั่งอยู่ที่นี่เห็นใจมันคิดท่านก็นรู้เลยเราก็เคยได้ยินว่าพระพุทธเจ้าตัดแตรู้เพราะการทานทางจิตทา ง, ทา ง, จททางใจเนี่ยเราทํายังไงทําทางใจมันทำไปไม่ได้แล้วก็มาเอาความเพื่อนไหวตัวนี้ํา เมื่อฟงขึ้นไว้ตัวนี้มันก็ไปทําได้มันเป็นอัตโนมัติมันไปเลยดังนั้นจังหวะวิธีที่อาตมาพูดนี่เป็นวิธีรัดราตรงเข้ามาเลยไม่เสียเวลาเลยนั่งเขียนหนังสือก็ปฏิบัติได้จะคลองขายก็ปฏิบัติได้ถ้าเปลี่ยนแถวนะถ้าไม่เปลี่ยนแถวได้ได้อย่างนั้นแหละได้พื้นได้เปลือกไปเลยเมื่อเรารู้แล้วทําอะไรได้ทุกอย่างจะทําการทํางานตามหน้าที่ของตัวเองเพราะเราเป็นคนเนี่ยเขาต้องรู้จักหน้าที่ของคนที่เมื่อเราเป็นเทวดาเขาต้องรู้จักหน้าที่ของเทวดา เมื่อเราเป็นพระอินทพระพมก็ต้องรู้จักหน้าที่ของพระอินทพระพมเมื่อเราเป็นพระก็ต้องรู้จักหน้าที่ของพระเสี้ยพระเนี่ยมันมันหลายกลไกในคำพระกับเปร่อคู้สอนคนโยมจุดสอนคนก็ได้อาจมาสอนมาแล้วสองปีกี่ว่าแล้วก็เป็นพระได้ห้าวนั้นนุ่งกางเกงนุกงกางเกงนะเดินจงกรมไปอยู่อ๋อผมกับหาวอีกแล้วด้วยนะอ๋อเป็นพระได้เดี๋ยวเดยมันคิดขึ้นมามันคิดขึ้นมาเองไม่ใช่คิดมันเก่งขึ้นมาเองเนี่ยแต่ว่าดขว่าถึงทุกข์ก็ได้นะครับที่สุดแล้วอย่านยอมหน มันต้องมีอันมาส ก, กัดให้เราจริงๆต้องรู้เมื่อไม่มีอันมาบอกบันเตือนเราจะรู้ได้ทำไมเพราะมันมีพร้อมแล้วทุกอันน่จอน